พระสูตรที่เราสาธยายเมื่อสักครู่เป็นพระสูตรที่สาคัญนะะเรียกว่าเป็นเป็นหัวใจนะของการปฏิบัตนะิเพื่อการพ้นทุกข์ก็ว่าได้เมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่านะอนัตตลกนัสสูตรที่เราได้สาธยายมันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่ชี้ให้เราได้เห็นถึง ความจริงของสรรพสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือเป็นอนัตตาและความจริงนี้ถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งก็ทาให้จิตหลุดพ้นจากความยึดติดถือมัน่นเพราะรู้ว่าอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ไม่รู้จะยึดมั่นไปทำไมยึดอะไรไม่ได้สักอย่างก็ปล่อยวางจิตก็หลุดพ้นแต่การที่คนเราจะเห็นสัจธรรมที่ว่านี่นะมันต้อง อาศัยเครื่องมือต้องมีวิธีการและเครื่องมือหรือวิธีการนะที่จะใช้ทําให้เห็นความจริงที่ว่านี่คือสตินะสตินี้ก็เปรียบเหมือนกับตาในนะถ้าเปรียบกับทางวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับเป็นกล้องจุลทรัศน์นะกล้องจุลทรัศน์ทำให้เราได้เห็นความจริงนะของของสรรพสิ่งได้ชัดเจนขึ้นถ้าเป็นกล้องโทรทัศน์ก็ทำให้ได้เห็น ความจริงของจั ก, กรวาลนะได้ชัดเจนขึ้นแต่นั่นเป็นการมองออกไปภายนอกสตินี่เป็นเครื่องมือที่เอามาใช้ดูความจริงของกายและใจและการที่จะพัฒนาสติให้ให้มีสมรรถนะมากพอที่จะช่วยทําให้เราเห็นความจริงเนี่ยก็ต้องอาศัยวิธีการที่เราสติปัฏฐาน4ี่นะ สติปทานสก็เป็นการวิธีการเพื่อทําให้เราเกิดสติชนิดพิเศษที่เรียกว่าสัมมาสตินะหรือบางทีเราก็เรียกว่าเป็นสติปัฐานสติที่เรามีในชีวิตประจําวันเนี่ยมันเพียงแค่พอให้เราลึกได้นะเวลาจะกลับกุฏิก็จําได้ว่ากุฏิเบอร์อะไรนะเวลาจะออกจากศาลานี้ก็จําได้ว่า รองเท้าเนี่ยถอดไว้ที่ไหนนะหรือว่าเวลาจะาเวลาออกจากนี่ไปก็จำได้ว่านัดเจอกันที่สาราหน้านะเพื่อทำกิจกรรมต่อไปเราใช้สติแบบนี้ในการดาเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ในการทำงานซึ่งก็ช่วยทำให้เราดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขตามสมควร แต่วสติที่เรามีแบบนี้มันไม่มากพอที่จะทําให้เร า, าสามารถจะรับมือกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจหรือว่าช่วยป้องการรักษาใจนะไม่ให้เป็นทุกข์หรือผู้ยันก็คือว่ามันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่มากพอไม่ดีพอที่จะไปพาจิตของเราที่มันหลงทิศหลงทาง นะให้กลับมาสู่ปัจจุบันให้กลับมาสู่กายได้มันต้องอาศัยสิ่งที่เราสัมมาสตินะเป็นความระลึกได้นะไม่ใช่ระลึกได้ลึกลงนอกตัวแต่ระลึกได้ช่วยให้ไม่ลืมเรื่องกายเรื่องใจนะลืมอย่างอื่นก็ลืมได้นะแต่ว่าอย่าลืมกายอย่าลืมใจนะเพราะถ้าลืมกายลืมใจแล้วมันเปิดช่องว่างให้ความทุกข์เข้ามาจู่โจมเล่นงานจิตใจของเรา พระเจ้เปรียบสติเหมือนกับยามเฝ้าประตูเมืองนะเมืองก็คือจิตนั่นแหละเรียกว่าจิตตนาครนะถึงแม้จะมีกำแพงสร้างเป็นรั้วรอบขอบชิดนันแต่มันก็ต้องมีประตูนะประตูนั้นเนี่ยอะไรแล้วก็เข้าได้นะอยู่ที่ว่าทหารยามเนี่ยจะทําหน้าที่ดีไหมถ้าทําหน้าที่ดีก็ สเสบียงอาหารก็สามารถจะเปิดให้เข้าไปได้นะแต่ถ้าเป็นโจรผู้ร้ายเป็นศัตรูก็สกัดกั้นไม่ให้เข้าไปแต่ถ้าสติหรือฐานยามทำหน้าที่ไม่ดีนะหลับในหรือว่าอ่อนแอผู้ร้ายโจรก็เข้าไปก่อความก่อความวุ่นวายให้กับจิตนาครได้ ้ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าไม่มีสตินะที่ดีพอในการรักษาใจหรือว่าการที่เราลืมใจนะลืมใจไปให้ใจหลงทางไม่รู้ไปอยู่ไหนก็เพราะสติไม่ทำงานนั่นเองแต่ถ้าสติดีมันก็ไปพาใจกลับมาสู่ที่ที่ปลอดภัยพาใจกลับมาบ้านได้ อย่างที่บอกไปแล้วว่าความทุกข์คนเราเนี่ยนะมันมันอยู่ที่ใจของเรานะมันอยู่ที่คุณภาพนะของสติของเราเป็นอย่างมากนะอันนี้สามารถจะพูดได้ได้ครอบคลุมไปทั้งหมดเลยนะว่าความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหลายคนมักจะคิดว่าที่ตัวเองทุกข์ใจเพราะคนอื่นเพราะเจ้านายเพราะลูกน้องเพราะเพื่อนร่วมงานเพราะคู่รัก หรือว่าเพราะดินฟ้าอากาศนะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีพราะการเมืองปั่นปวดรุ่นวายนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะอันนั้นมันเป็นแค่ปัจจัยภายนอกนะปัจจัยที่สำคัญคือปัจจัยภายในพวกเราคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังไหมครับเมือกันไหมคว่ า, า, วาทำฝ่ายเดียวย่อมไม่เกิดผล ส่วนใหญ่เขาใช้สำนวนนี้กับกรณีที่มีการทะเลาะเบาแวงนะทะเลาะวิวาทกันเนี่ยก็จะพูดว่าเนี่ยอย่าไปโทษใครเลยนะเพราะว่าตบมือครั้งเดียวไม่ดังหรอกไหมเพราะว่าถ้าฝ่ายหนึ่งเอาแต่ด่าดาอีกฝ่ายหนึ่งไม่โต้เถียงไม่ทะเลาะด้วยนะมันก็ไม่มีเรื่องลุกลามเป็นการวิวาทกันได้นะเพราะฉะนั้นที่วิวาดกันเนี่ยเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยผสมโรงนะ ก็เปลี่ยนเหมือนกับมือสองข้างที่ตบพร้อมกันนะมันก็เกิดเสียงดังแต่ที่จริงเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังเนี่ยมันเอามาใช้ได้กับเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของคนเราด้วยนะผู้เรายนนึกว่าคนเราเนี่ยนะเมื่อมีความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามีปัจจัยเดียวนะคือปัจจัยภายนอกมืออีกข้างหนึ่งนะที่ทําให้เสียงดังก็คือปัจจัยภายใน ที่จริงอย่าว่าแต่ความทุกข์ใจเลยความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสองปัจจัยนะปัจจัยภายนอกเช่นเชื้อโรคเนี่ยหรือว่าสารแปลกปลอมเนี่ยไอ้เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเนี่ยถ้าหากว่าร่างกายเราซึ่งเปรียบมันกับปัจจัยภายในเนี่ยมีมีความเข้มแ ข, ข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีเชื้อโรคมันก็ทําให้เราเจ็บป่วยไม่ได้นะเพราพวกเรา ในที่นี้เนี่ยอาตมาช่ ว, วหลายคนเนี่ยอาจจะมีเชื้อวัณโรคอยู่แต่ว่าทำไมไม่ป่วยนะก็เพราะว่าภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงไม่ใช่ว่าจะเจ็บป่วยก็ต่อเมื่อมีเชื้อในร่างกายนะอันนั้นเรียกว่าตกมือข้างเดียวไม่ดังนะมันต้องมีอีกปัจจัยหนึ่งคือว่าภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายเรามันไม่ดีด้วย แม้แต่เชื้อ HIV เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่พอเข้าไปในร่างกายแล้วต้องป่วยเป็นเอชทุกคนนะบางคนก็ไม่เป็นอะไรได้วยซ้ําเอาเลื่องมาตรวจก็เป็นลบนะแต่คนแบบนี้มีน้อยนะแต่ที่เป็นเช น, นั้นก็เพราะเขามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะแล้วก็เชื่อว่าภูมิคุ้มกันที่ว่าเนี่ยมันก็จะแพร่ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยคนที่ พอมีเชื้อเข้าเชื้อชยวีเข้าแล้วจะป่วยทันทีเนี่ยมันหรือร่มป่วยในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงนะแต่ว่ายังไงก็คงต้องพึ่งวัคซีนนะวัคซีนก็ทำหน้าที่นะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายให้มันสามารถจะรับมือกับเชื้อชยวีได้ต่อไปในภายภาคหน้าเชื้อเข้ามาในร่างกายนะคนก็ไม่ป่วยเป็นเอสดนะเพราะว่ามีการเสริมภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายคนบางคนเนี่ย พอโดนคีโมนะเคมีบำบัดหรือว่าโดนฉายแสงนะส่วนใหญ่นะก็จะแพนะ้แต่คนบางคนเจอเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงในระดับเดียวกันโดสเดียวกันแต่ไม่แพ้ไม่แพ้มากอันนี้เพราะอะไรนะก็เพราะปัจจัยภายในเนะีนะ่ยคนแต่ละคนก็มีปัจจัยภายในไม่เหมือนกันจริงๆแม้แต่บุรีนะ มันไม่ใช่ว่าสูบบุหรีแล้วทุกคนต้องตายเล็วนะฟิเดลคาสโตเนี่ยอายุเก้าสิบแล้วสูบซิก้าเนี่ยวันละไม่รู้กี่กี่มวนนะตอนนี้ก็ยังไม่ตายเลยอายุเกนะ้าสิบเนี่ยติ้งเสือรพิงสูบบุหรีเนี่ยวันละกี่ซองอ่ะสองสามซองเนี่ยกวจะตายก็เก้าสิบนะแล้วสุดจะไม่ได้ตายเพราะมาเลงปอดด้วยไอแบบนี้ก็มีนะแต่ว่าส่วนน้อยนะแต่มันก็ชี้เห็นว่าลําพังเนี่ยเชื้อโรคก็ดีหรือว่า สารแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บจะทําให้ป่วยนะมันอยู่ที่ปัจจัยภายในก็คือภูมิคุ้มกันในร่างกายหรือองค์ประกอบภายในร่างกายด้วยแล้วความทุกข์ใจก็เหมือนกันนะทุกข์ใจเนี่ยจะไปโทษภายนอกนะอย่างเดียวอย่างที่บอหนะตบมือข้างเดียวไม่ดังนะที่มันดังเพราะมันมีสองมือตบนะคือนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วก็มีปัจจัยภายในคือใจของเรานี่แหละ ลองสังเกตดูนะมันพิจารณาดูใจของเราเนี่ยทุกครั้งที่มีความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะปัจจัยภายนอกอย่างเดียวหลายคนบอกว่าหงุดหงิดเพราะรถติดนะพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกทีเดียวนะเพราะว่าถ้ารถติดนะแต่ว่าถ้าใจเนี่ยไม่อยากให้ถึงที่หมายเร็วๆเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์หรอกมันก็ไม่หงุดหงิดหรอกนะคนเราจะหงุดหงิดได้เพราะหนึ่งเนี่ยรถติดสอง ใจเนี่ยอยากให้ถึงที่หมายไวๆหรือถึงที่หมายตามกําหนดหรือมิฉะนั้นก็มีความกลัวกลัวว่าจะถึงที่หมายช้านะกลัวว่าจะถึงสายนะถามว่ากลัวเพราะอะไรนะกลัวเพราใจมันไปแล้วมันคิดล่วงหน้าไปแล้วเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ใจมันคิดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความอยากให้ถึงที่หมายไวๆหรือถึงที่หมาย ทันเวลาตรงเวลาภายในเวลาหรือว่าเพราะกลัวว่าจะไปไม่ถึงไม่ทันหรือเพราะใจที่คิดไปปรุงไปล่วงหน้าแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือปัจจัยภายในซึ่งก็เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เรารู้สึกกระวนกระวายหรือหงุดหงิดนะมันไม่ใช่เพราะรถติดอย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะใจของเราด้วย ใจที่ปรุงแต่งใจที่คิดไปต่างๆนาน า, นาใจที่มีความอยากใจที่มีความกลัวแต่เรามักจะมองไม่เห็นตรงนี้มองข้ามไปเลยนะไปมองแต่หรือไปโทษแต่ไอรถติดหรือว่าสัญญาณไฟที่มันแดงนานเหลือเกินนะเสียงดังเนี่ยนะเสียงดังไม่ว่าจะเป็นเสียงโทรศัพท์ที่ดังในห้องในศาลาหรือว่าเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ดังมาจากข้างนอกเนี่ยมันไม่ทําให้เราหงุดหงิดนะ ถ้าว่าใจเราเนี่ยไม่ไปปฏิเสธผักสมันนะเพียงแค่มีเสียงดังเนี่ยใจไม่ทุกข์หรอกแต่พอเราไม่ชอบมันใจเรารู้สึกยินร้ายกับมันนะใจไปทะเลาะเตาะทะเลาะบ่าวแวงกับเสียงนั้นเนี่ยมันยึงทำให้เราหงุดหงิดนะมีเรื่องเราว่าสมัยที่หลวงพ่อชาเนี่ยท่านไปดรับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษเมื่อสี่สิปีที่แล้วคราวนั้นหลวงพ่อสุมเมทก็ไปด้วยตอนั้นท่านเป็นพระหนุ่ม เจ้าภาพเนี่ยซึ่งเป็นชาวอังกฤษก็นิมนต์ให้ท่านไปแสดงธรรมแล้วก็พักที่วิหารแฮมสเตดซึ่งอยู่ ก, ากลางกรุง ล, ลอนดอนตรงข้างวิหารนี่ก็เป็นย่านบันเทิงนะก็มีผับมีบาร์ตอนค่ำนี้ก็จะมีการร้องเพลงมีการเล่นดนตรีกันซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อชานั่นพาพระนั่งสมาธิก็มีวันนึ่งนะอาจจะคงจะเป็นวันเย็นวันศุกร์หรือยันวันนวันเสาร์เนี่ย ขาที่พระกำลังทำนั่งสมาธิกับญาติโยมเสียงก็ดังกระหึมเข้ามาในศาลาพระหลายรูปนะก็นั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยนะมีความเครียดนะมีความหงุดหงิดอยู่ข้างในส่วนหลวงพ่อชานี่ท่านนั่งสงบเลยนะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอนั่งสมาธิเสร็จนะ เจ้าภาพซึ่งเป็นช้ังกฤษก็เข้ามาหาหลวงพ่อแล้วก็มาขอโทษว่าขอโทษที่มีเสียงดังมารบกวนนะการนั่งสมาธิหลวงพ่อช้าตอบว่าโยมไปคิดว่าเสียงดังมารบกวนโยมที่จริงโยมต่างหากที่ไปรบกวนเสียงนะพราโยมไปรบกวนเสียงโยมถึงนั่งสมาธิไม่เป็นสุขนะหมายเขาว่าไงหมายเขาว่า ใจของเราเนี่ยไปหรือใจของโยมเนี่ไปทะเลาะเบาแวงกับเสียงมีความรู้สึกลบมีความรู้สึกผักสายเสียงนั้นอยากจะให้เสียงนั้นมันหยุดอยากให้เสียงนั้นมันหมดไปไวๆถ้าใจเรานิ่งนะมันก็ไม่ทุกข์หรอกนะเพราะนั้นเวลาหงุดหงิดนะอย่าไปโทษเสียงนะนะต้องต้องโทษใจเราด้วยนะว่าใจเราเนี่ยมันวางไว้ไม่ถูก ใจเราวางผิดนะแต่เพราะเราไม่ค่อยมาดูใจเราเท่าไหร่นะเราก็เลยมองไม่เห็นว่าใจเนี่ยเป็นตัวการอย่างไรและพอมีความทุกข์อย่างไรก็จะไปโทษสิ่งภายนอกเคยพาคนเดินจงกรมนะคล้ายๆที่เราเดินเมื่อเช้าเนี่ยแต่ว่าเดินผ่านสวนนะถนนก็มีทั้งถนนลาดยาง เทปูนแล้วก็เป็นถนนลูกลังก็มีมดนะไต่ขึ้นมานะมันไต่เข้ามาตามขาแล้วก็เข้าไปในร่มผ้านะคนก็คนที่เดินก็มีความทุกข์มากหลายคนก็นะเดินไม่เป็นสุขบางคนก็เอามือปัดนะพอเดินจบนะก็มาคุยกันก็ถามเขาว่าทำไมถึงปัดนะทไมถึงปัดมด ก็ตอบว่าเป็นเพราะมดมันไต่าตามขาอัตมาก็บอกว่ายังตอบไม่ถูกนะตอบใหมนะ่ทำไมถึงทาไมถึงปัดคนที่เดินก็งงนะนะคนหนึ่งก็พูดขึ้นมานะว่า เ, ออเป็นเพราะว่ามันเจ็บนะถึงปัดที่จริงเจ็บแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ทำให้ปัดนะ จะปัดหมดเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกคือมันอยากจะปัดนะมันต้องมีความอยากก่อนถึงจะปัดใช่ไหมถ้าไม่อย่างไม่ไปปัดหรอกแล้วถามตอว่าทำไมถึงอยากก็เพราะไม่ชอบนะถ้าชอบจะปัดไหมชอบก็ไม่ปัดนะเพื่อนเราแม่เพื่อนเราพ่อแม่เรามาเอามือแตะเนี่ยเราปัดมหเราไม่ปัดหรอกเพราะเราชอบใช่ไหมแต่ที่เราปัดเพราะเราไม่ชอบความอยากปัดเนี่ยเพราะ มันมีความไม่ชอบทำไมถึงไม่ชอบนะเพราะว่ามันเจ็บมดมันกัดแล้วเจ็บทำให้เกิดโทสะนะก็ทำให้ไม่ชอบมดก็ทำให้อยากจะปัดมดทำไมถึงเจ็บนะเพราะมดมันกัดนะมดมันไต่เนี่ยมันไม่ทาให้อยากจะปัดหรอกนะมันต้องกัดก่อนเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะ จะเห็นว่าไอความอยากจะปัดความไม่ชอบจึงทำให้ปัดและที่ไม่ชอบเพราะมันเจ็บแล้วถ้าเราดูดีๆนะมันไม่ใช่แค่เจ็บอย่างเดียวนะมันมีความรู้สึกว่ากูเจ็บแทรกอยู่ด้วยธรรมดาเนี่ยคนที่เจ็บพ่อะมดเนี่ยนะถ้าสักแต่ว่ารู้สึกนะเจ็บนะ มันไม่โกรธมันไม่ลังเกตยมดหรอกนะที่โกรธเพราะว่ามันมีความสึกกูเจ็บนะมันไม่ใช่แค่เจ็บเฉยเฉยมันไม่ใช่มีความเจ็บเกิดขึ้นที่แขนที่ขามันมีความรู้สึกปรุงขึ้นมาว่ากูเจ็บก็เลยโกรธนะเป็นโทสะก็ทําให้นะไม่ชอบเกิดความยินร้ายและอยากจะปัดทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นอาการภายในทั้งสิ้น มันไม่ใช่มดไตหรือไม่แต่มดกัดแล้วเนี่ยจึงปัดนะมันมีปัจจัยภายในที่ตามมาอีกนะสามสี่สามสี่ปัจจัยนะเช่นการรู้สความรู้สึกว่ากูเจ็บการเกิดโทสะแล้วก็เลยไม่ชอบมดแล้วก็เลยอยากจะปัดมดแต่อยากจะปัดมดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำให้เราปัดเลยทีเดียวนะ เพราะว่าตอนก่อนเดินจงกรมเนี่ยก็บอกเขาแล้วว่าให้เดินอย่างสงบลำพังแค่อยากจะปัดเนี่ยมันไม่ทำให้ปัดหรอกมันต้องเผลอด้วยเผลอลืมลืมสติก็เหมือนกับเราตรงเนี้ยอยู่บนเนี้ยหลายคนเนี่ยอาจจะปวดหนักปวดเบาหรือปวดเมื่อยที่แขนที่ขาแต่หลายคนก็ยังนั่งนิ่งอยู่นะ เพออราะหลายเพราะรู้ว่าการลุกออกไปถ่ายหนักถ่ายเบาหรือว่าลุกออกไปเหยียดแข้งเหยียดขาเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นเวลาสติมันเตือนให้เราเนี่ยไม่ลุกทั้งๆ ท, ที่เจ็บทั้งทงที่ปวดทั้งๆั้ที่อยากอยากจะลุกแต่เราไม่ลุกเพราะเรามีสตินะเพราะเราเระลึกได้ว่ามันยังไม่ใช่เวลาต้องให้เลิกก่อนถึงค่อยลุกนะแต่ถ้าลุกไปเลยแสดงว่าอะไร แสมว่าไม่ใช่มีแค่ความอยากมันลืมตัวด้วยไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการที่คนเราปัดเนี่ยหรือว่าญาติโยมกลุ่มนั้นเนี่ยปัดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมดกัดเท่านั้นมันมีเหตุปัจจัยภายในเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ความรู้สึกว่ากูเจ็บแล้วก็โกรธแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็เลยอยากจะปัดแล้วก็ลืมตัวด้วยว่า กำลังเดินจงกรมต้องเดินอย่างสงบสำรผ ม, มก็เลยปัดไปเลยหเห็นไหมว่ า, อาไอ้ความไอ้การที่คนเราทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เพราะปะัจจัยภายนอกเดียวมันเพราะปัจจัยภายในด้วยแต่เป็นเพราะเราไม่ค่อยสังเกตนะเราไม่ค่อยใช้สติในการพิจารณาเวลาเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเราก็โทษโทษสิ่งภายนอกโทษมดโทษอินฟาอากาศโทษรถติดโทษเจ้านายโทษ ลูกน้องโทษคนที่บ้านโทษลูกโทษพ่อแม่แต่เราลืมกลับมาดูใจของเราสติยันเป็นตาในที่ทำให้เราเห็นนะอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจและทำให้เรารู้ว่าอ๋อไอ้สายแห่งทุกเนี่ยนะนะมันไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอกเท่านั้นอันนั้นยังเป็นเรื่องรองที่สมคัญคือใจของเราต่างหาก นะใจที่ลบใจที่ปรุงแต่งใจที่ปล่อยให้ใจที่มีความยึดติดถือมัน่นนะใจที่มีการปรุงตัวกูขึ้นมาเนะี่ยถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราจะรู้เลยอ๋อสายแห่งทุกข์มันอยู่ที่ในใจและถ้าเรารู้ว่าสายแห่งทุกข์อยู่ที่ข้างในใการที่จะแก้ทุกข์หรือลุดออกจากทุกข์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามองถูกแล้วนะเห็นเห็นคําตอบแล้วนะ หรือว่ามองเห็นสาเหตุที่แท้จริงงนั้นการที่เรากลับมาดูใจเนี่ยนะกลับมาสังเกตใจของเราเนี่ยยิ่งเราสังเกตได้ละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งนะมีโอกาสที่เราจะออกจากทุกข์ได้ได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นนะเพราะทันทีที่เราล้วนอไอที่เราทุกข์เนี่ยนะเพราะว่าเราไม่ชอบเสียงเพราะใจเรามันเป็นหงุดหงิดกับเสียงนะเราก็ เพียงแค่รู้เท่านั้นแหละมันก็ช่วยทำให้ใจแล้วก็เป็นปกเป็นปกติได้นะเพราะว่าใจเรามีอาการางั้นเพราะมันลืมตัวนะเพราะมันหลงไอ้หลงเนี่ยมันตรงข้างกับรู้นะถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหลเนี่ยไอ้การปรุงแต่งหรือการหลงเนี่ยหรือการวางจิตผิดมันก็หมดไปนะเราทุกข์เพราะเราคิดถึงอดีตเราเผลอไปคิดถึงอดีตหรือว่าเราเผลอไปคิดถึงสิ่งที่เอามาไม่ถึง มันเป็นความไม่ตั้งใจมันเป็นความเผลอเรื่อง น, นี้ก็ลืมอันนี้ก็ลืมตัวเรียกว่าลืมใจก็ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยเรากำลังมานั่งนั่งเดินจงกรมเอ้เรากำลังนั่งสร้างจังหวะเรากำลังเดินจงกรมเรากำลังฟังคําบรรยายแต่ใจมันไปถึงอดีตแล้วอันนี้เรียกว่าใจมันหลงนะอันนี้เรียกว่าลืมตัวแล้วที่เราปล่อยให้มันเปน็นงั้นเพราะเราไม่มีสติแต่พอเรามีสติปุ๊บเนี่ย เราก็ไปเรียกใจกลับมาไอ้ใจที่มันหลงจมอยู่ในกับดักแห่งอดีตมันก็จะหลุดจากกับดักนั้นนะก็กลับมาสู่ปัจจุบันกลับมาสู่กายกลับมาสู่กิจที่กําลังทําในปัจจุบันนะจะเรียกว่าพาใจกลับบ้านก็ได้นะแต่มันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่หาใจให้เจอก่อนนะหาใจให้เจอใจมันไปอยู่ไหนมาไปอยู่กับอดีตหรืออยู่กับอนาคตหรือมันอยู่ในกับดักแห่งลุมแห่งโทสะแห่งความโกรธ จะทำก็ได้ต้องมีสตินะเพราะสติเหมือนตาไหนที่ทำให้เราเห็นว่าใจมันอยู่ไหนนะใจมันกําลังปั่นป่วนหรือว่าหลงทิศหลงทางหรือเปล่าปัญหาคือคนเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เคยได้ดูใจของตัวเองแล้วก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยถึงขนาดที่เรียกว่าไม่รู้สึกเลยซ้ําบอกไม่ได้เลยซ้ำว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกอย่างไร คนเรนี่ยถ้าหัน ม, ม, มันมามองใจดูใจเนี่ยมันจะจะตอบได้ว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงตอบไม่ได้บางทีก็รู้สึกกระสับกระส่ายนะแต่ตอบไม่ได้ว่าไอความรู้สึกข้างในหรืออารมณ์ข้างในเนี่ยมันเป็นอารมณ์อะไรมันหงุดหงิดมันโกรธมันกลัวนะหรือว่ามันอยากตอบไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ชนิดใดหรือบางทีตอบไม่ได้เลยว่าตอนนี้กําลังรู้สึกอย่างไร อันี้เป็นมากนะเพราะเราไอนน้เป็นเพราะเราเนี่ยส่งจิตออกนอกมากเกินไปเราสนใจสิ่งนอกตัวมากเกินไปจนกระทั่งลืมกลับมาดูใจของเราลืมกลับมาสังเกตใจของเราแล้วบางแล้วก็เป็นหนักนะมีอาจารย์คนหนึ่งจะเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นนักวิชาการด้านประสาทวิทยาจะเล่าว่า มีคราวหนึ่งนะทดลองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสมองว่าอารมณ์เช่นความกลัวเนี่ยนะมันสัมพันธ์กับสมองส่วนไหนก็มีการชวนอาสาสมัครเนี่ยมาทำมาสแกนสมองโดยใช้เครื่อง MRI แล้วก็ให้ดูภาพที่น่ากลัวมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภาพหน่ากลัวอาจจะเป็นภาพอุบัติเหตุคนตาย อัจฉรกรรมภาพศพที่เล็กอ่างเงี้ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักวิจัยในคณะของอาจารย์คนเนี้ให้ดูสักพักเนี่ยปรากฏว่าหัวใจเต้นเร็วความดันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วอาจารย์ก็รู้สึกว่าคงต้องหยุดแล้วละ่ะเพราะว่าอาการของคนไข้คนเนี้แสดงว่าแกกลัวมากก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าคงต้องหยุดแล้วนะ พี่อนับอกว่าอยู่ทำไมอ่ะฉันสบายดีไม่มีอะไรเลยฉันปกติอาจารย์คนนี้งงมากเลยนะเพราะว่าร่างกายขอยงเธอมันฟ้องว่าเธอกลัวมากหัวใจมันเต้นเร็วความดันขึ้นเนี่ยนะมันบอกแล้วแต่เธอไม่รู้ว่าถูกเธอกลัวโอ้นี่เป็นกรณีที่อาจารย์คนนี้แกงงมากเนะี่ยโหขนาดกลัวยังไม่รู้ว่าตัวเองกลัวเลยนะยังรู้ยังบอกตัวเองปกตินะมันแสดงว่า มันมีความแปลกแยกกับจิตใจของตัวเองแล้วต่อหลังเนี่ยอาจารย์นี่แกก็มารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเพื่อร่วม ง, งานนี่ไม่มีใครชอบสักคนเลยไม่มีใครอยากจะทํางานกับเธอทั้งที่เธอเป็นคนเก่งทีแรกก็ใครๆก็นึกว่าเป็นเพราะเธอชอบคุยโม้เรื่องตัวเองแต่อาจารย์คนนี้แกคิดว่าจะรู้คําตอบนะก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะขนาดอารมณ์ของตัวเองยังไม่รู้เลยและ จะไปรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้ยังไงนะเมื่อไม่รู้อารมณ์ความรู้สึกขอ ง, ขอ ง, ของคนอื่นนะไม่รู้ตอนนี้เขาอยู่ในอารมณ์ใดนะก็อาจจะพูดอาจจะทำในสิ่งที่ทำให้เพื่อล้มงานเนี่ยไม่พอใจอาจจะไม่มีความเกรงใจอาจจะไปไปพูดในทางที่ทำให้คนเนี่ยโมโหมากขึ้น คนเราจะสัมพันธ์กันได้เนี่ยมันต้องรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาตอนนี้รู้สึกอย่างไรกําลังสบายผ่อนคลายหรือว่ากําลังหงุดหงิดกำลังเครียดแต่ถ้าไม่รู้เลยจับอารมณ์ของคนอื่นไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่ามันก็มีปัญหาความสัมพันธ์และที่จับอารมณ์คนอื่นไม่ได้ไม่รู้ว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงเนี่ยเพราะว่าแม้แต่อารมณ์ของตัวเองยังไม่รู้เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อาจจะเอ็กซ์ตรีมนะแต่ว่ามันก็ทำไมแค่คนที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ย ในดีกรดที่น้อยเนี่ยก็มีมากนะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่รู้ไ ม, ไม่ไม่ทันอารมณ์ของตัวนะแม้กระทั่งความรู้สึกทางกายเนี่ยก็สับสนหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรอาจารย์คนนี้แกก็เล่าวันเนี่ยแกทํางานกับพวกแพทย์ประจําบ้านเนี่ยผู้ริสิเดน์ในโรงพยาบาลก็จะมีแพทย์ประจำบ้านเนี่ ย, นน ย, นนยทั้งหนุ่มทั้งสาวหลายคนเนี่ยทํางานกันดึกมากนะบางทีก็มีคนเรียกให้ไปทํางานให้ไป ผ่าตัดตัวคนไข้กลางค่ากลางคืนพวกเราเนี่ยพักผ่อนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนทำมาติดต่อกันหลายวันนะเห็นแล้วก็น่าเป็นห่วงนะแล้วแกสังเกตอย่างหนึ่งนะพวกเด็ิเด่พวกหมอเราเนี่ยสมมติว่าทำงานจนดึกเลยนะกว่าจะเสร็จงานก็ตีหนึ่งตีสองตีสามคนเรานี้พอทำงานเสร็จนะทั้งที่อดนอนนะ แต่พอทํางานเสร็จเนี่ยตรงไปที่ไหนรู้ไหมไม่ได้ตรงไปห้องพักนะตรงไปร้านฟาสต์ฟู้ดไปกินนะอาจารย์ก็งงมากนะเฮ้ยคุณอดหลับอดนอนนะทำไมคุณไปกินนะแสดงว่าค น, คนเหล่านี่ยไม่รู้ไม่ระ ล, ลึกรู้ว่าไอ้ที่จริงที่ตัวเองมีมีความทุกข์มีความมีความไม่สบายกายเนี่ยนะมันเป็นเพราะลามันเป็นเพราะอดนอน แต่คนล่ะได้คิดว่าอาการนี้มันเป็นเพราะหิวทุกเพราะล้ากับทุกเพราะหิวนี่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าผูสเซเเนี่ยนะแยกไม่ออกนะคิดว่าโอที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้เนะี่ยเป็นเพราะหิวก็เลยไปล่อใหญ่เลยอาหารในฟาสต์ฟู้ดตีสองตีสามเนี่ยอันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเกิดความแปลกแยกกับร่างกายของตัวไม่สามารถจะแยกแยกได้ว่าระหว่างความล้าความหิวมันต่างกันยังไง พอเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็คิดว่าเป็นพ่อฉันหิวก็เลยไปกินใหญ่เลยผลที่เกิดขึ้นตามมาคืออ้วนเอาอ้วนเอ า, า, เอาแล้วเป็นงี้กันทั้งหมดเป็นกันทั้งกัน ท, ทั้งนั้นเลยคนที่เขารู้ว่าตัวเองตอนนี้เนี่ยลาเนี่ยเขาจะไปนอนนะแต่คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองลานี่นะก็จะไปกินนะอันนี้มาสร้างถึงความแปลกแยกกับกับตัวเองหรือถ้าพูดให้มันถูกต้องคือว่าไม่รู้ว่าเวทนา ที่เกิดขึ้นกับกายตัวเนี่ยเป็นเวทนาอะไรนะล้าหรือหิวเมื่อกี้เราก็สวดไปแล้วนะสติปัฏฐานสูตรเนี่ยก็จะพูดให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตทั้งหมดนี้ถ้าเรารู้ดีดีดเนี่ยมันก็จะรู้ทำแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งการรู้กายก็ไม่ค่อยรู้แล้วรู้เวทนาก็ไม่ค่อยรู้แล้วยิ่งรู้จิตนี่ไม่รู้ใหญ่เลยว่าตอนนี้อารมณ์ใดนะฉะนั้นสําคัญนะกลับมารู้ใจของเรากลับมารู้เวทนาเนี่ย ต้องอาศัยสติแล้วถ้าเรามีสติดีเนี่ยมันจะไวและจะรู้ว่าอ๋อที่เราทุกเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็จะได้แก้นะที่ใจของเราได้แล้วนี่แหละคือวิธีการที่ทําใหเ้เราสามารถที่จะผ่ า, าใจกลับมานะแล้วก็สามารถที่หาใจให้เจอนะถ้าเราไม่หมั่นสังเกตใจเรานะีมันก็ไม่มีทางที่จะหาใจใเจอได้เอาคํานี้พูดตอนนี้นะครับครับ